ตกมากนะเรื่องวัตถุที่มีมากๆมากๆขึ้นมานี่มันเป็นแบบโลกโลกเป็นจิตใจมันก็เป็นแบบโลกอยู่แล้วแล้วกับสิ่งที่ว่าเป็นโลกมันก็เข้ากันได้ง่ายเพราะจิตใจไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์ธรรมยิงไม่ทราบว่าธรรมเป็นยังไงแล้วไม่เห็นเป็นของแปลกสำหรับธรรมเพราะเห็นแต่ของแปลกเป็นของในสิ่งเหล่านั้นแ่ะอย่างวัตถุมีวิตกวิจาร์นะ ยิ่งวัดเราเวลานี้ยิ่งทุกสินทุกอย่างมันยุ่งเข้ามาตลอดเลยย่งนับพันมากอย่นั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้อะไรมาวางใ ต, ต้ถุ น, นผมเคยห้ามแล้วทําไมผมไม่ได้ห้ามแล้วมันเต็มไปหมดแล้วนั่นี่นะเพราะผมไม่อยากพบอยากเห็นคนที่มาเที่ยวเตะเร่ร่อนยุ่งไปหมดในวัดในวานี่เป็นวัดเดือนเก้าวัดสําเพง่งมันเป็นง่าง่ายๆเพราะพวกนี้พวกไม่มีแบบไม่มีเช้าบับ ไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีข้อบังคับต้องเอานี่สายนี่ไปใช้ในวัดในวาร์เขามันจะไปช้าเคยเห็นแล้วเม่ียเหลือวันไหนไหนก็ดีแหลกไปแหลกไปน่ะผมยังไม่ให้เอามาเขาเอามาผมยังให้เอาสงูงให้คอาขนบงบอ ก, บอกผมไม่เอาผมบอกบอกันก็เพื่อ ก, กันนั่นเองเพราะเรารักษาอยู่ผู้ทำนามันทำลาได้ง่ายการรักษามันยากมากนะจึงมิตรงวิจารณ์คนมาวัดมามาร์ผมมาได้ยินดีโดยทายเดียวนะ มันเป็นเรื่องมิตตบทั้งได้ทั้งเสียไปตามๆกันมันต้องได้คิดไม่คิดไม่ได้มันเห็นอยู่รู้อยู่นี่ไม่คิดได้ไงมันเหมาะสมกับนักปฏิบัติเราจริงๆก็คือพออยู่พอเป็นพอไปเคสขัดขาดเขินเขินเฉี้เขียมนั้นแหละเหมาะที่สุดที่ทําจะเกิดขึ้นภายในจิตใจเพราะมันไม่ทําให้จิตฟุ้งเฟ้อหือหมมันเป็นเรื่องของกิเลส วัตถุที่ไหนมันก็ไม่อดไม่อยากเต็มไปหมดมันอดอยากที่ไหนที่ไหนๆก็ดีตัวเราก็วัตถุทั้งตัวนี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับมีแต่วัตถุจิตใจมันก็วัวพันกับสิ่งเหล่านี้มันไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมจะเห็นว่าธรรมเป็นยังไงอาจารย์แปลวิลาศยังไงบ้างมันไม่เห็นเพราะมันไม่เคยสัมผัสไม่เคยรู้ก็เห็นแต่สิ่งที่เคยสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจถึงไม่มีอะไรเข้ามาสัมผัสมันก็เป็นข้อมันขึ้นมา เรียกว่าธรรมารมธรรมารมมันก็เห็นแต่สิ่งตัวนี้แหละเลยกลายเป็นของตะจันกับสิ่งตนี้ไปทางยุ่กรมไม่ใช่มันเป็นดวงเสือเป็นหมดและเหลือเวลาเนี่ยไม่มีใครเดินยุ่งกรมบ้างไหมเราอยากจะถามอย่างนั้นนะเวลาไหนเห็นตะเพ่นเพ่นพันพันเพ็นพันอยู่ตามนี้ตามนี้ตั้มตั้มตั้หุตั้มหุตัมตาลตั้มอยู่ตลอดี่ แล้วเขาไปหาใจิตใจให้พีตุกพี่จา์กับหมูกับเพื่อ น, นว่ามันมันผิดกันมากนะกับครูบาอาจารย์พระดำเนินมานั่นนะ่ะอย่าภูมิใจนะว่ามาอยู่สถานที่นี่เลยมีการบำเพ็ญด้วยความสะดวกสบายและเคร่งคัดเด็กเดียวมันเด็กเดียวอะไรมันหย่อนยางกําลังจะตายแล้วพันแข้งพันขาไปหมดเวลานี้ผมพูดพระดำเนินผมอกจะแตกแล้วนะอย่ามาภูมิใจในสิ่งจยาบหยาบอย่างนี้นะ เดินอย่างกลมฟานกันจนฝ่าเท้าแตก็เห็นหนั่งที่ท่างว่าเป็นไรเทานั่งพอนาจนก้นผองมันเห็นเหมือ่นี่ไม่ได้เรื่องใดเล่าอะไรยัวยย่ยาเต็มวัดเต็มว่ า, ม, วามาก็ไม่ได้เรื่องใดเล่าวะไรแล้วคอยที่จะมากระทบกระเทือน ท, ทะเลาะ ก, กันจะ ก, กัดกันเหมือนหมานเอวิชาหมาออมาเหยียบย่ําทําลายทำแหลกไปหมดนี่นี่อันหนึ่งผมจะหลุดใจผมเคยพูดเสมอ เดียวกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่เอยอยู่ท่านท่านเอก็ไปมากมากมา ก, มากเล่าที่คอยดูแลดูฉากหลังนี้ใหม่หนักมากจริงๆรินะเพราะใครๆก็มาเองมามาเองมาเองไม่อยากให้ท่านหนัก อ, อกหนักใจเราต้องคอยจอดส่องมองดูคอยเตือนคอยเตือนนี้สกิดคนนั้นดุคนนี้อยู่องั้นไม่งั้นแหลกมันจะทําให้เสียจนแหลกไปเได้แล้วก็หนักมากเวลาอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ ว่าอยากให้ท่านได้รับความสะดวกสบายถึงอย่างนั้นมันยังทะเลาะกันได้นะไม่ใช่เล่นนะเรื่องที่เหรมันไว้หน้าใครเมื่อไหร่พอได้ช่องมันมันเป็นเอาละสัดแดงออกมาทันทีนเป็นจนได้นี่ก็ได้พูดามาถึงเรานี่ก็อเราควรจะซ้ำลอยอย่าให้ซ้ำรอยหนะ่มัน ก, กำลังเริ่มซ้ำเขาเหยียบย่ำทำลายเข้ามาแล้ว สอนสอนจนเต็มภูมิมีอัดมีทามีอะไรเท่าไหร่ทอธรรมหมดในหัวใจแล้วเวลาผลแสดงออกมามันมีแต่ขวากแต่นํามทิ่มแทงหัวใจอยู่ตลอดเวลาแล้วมันคุ้มขากันเหรือกับการแนะนํสองสอนหมู่เพื่อนด้วยความทุ่มเทราอย่างหมดไสหมดผุมินี้บอกกันเสมอว่ากิเลสมันรวดเร็วมากหนาะมากหนาะบอก ไม่มีอะไรรวดเร็วเกินยิ่เลยคล่องตัวเกินยิ่เลยอยู่ในหัวใจเราทุกคนทุกคนทุกรูปทุกนามรวดเร็วที่สุดนะเวลาทำยังยังไม่คล่องตัวหรือทายังไม่มีหรือทำมีน้อยถูกกิ่เกลี่ยนี่มันเหยียบย่าทำลายแล้วพังแบบพังไปยังมองไม่ทันว่างั้นเถอะอันนี้เราก็พูดหมดแล้วทาไมถึงมาพูดหมดแล้วนี่ก็มันเป็นอยู่ในหัวใจเราแล้วนี่ไม่ใช่ไม่เป็น มันเป็นอยู่ในหัวใจเราทั้งที่มันลบทําทั้งที่ทําลบมันมันก็อยู่ในหัวใจเดียวนี้รู้อยู่ในหัวใจนี่เป็นอยู่ในหัวใจนี้ยึงสามารถนํามาพูดให้หมู่เพื่อนฟังได้โดยไม่ไม่โอ้ไม่ปวดอะไรละพูดอย่างอาจฐานทีเดียวด้วยเหตุที่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์ เ, เคยประสบสิ่งเหล่านี้มาแล้วทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบอะไรมี ทำงานอยู่ในหัวใจบนหัวใจตลอดเวลารอบหัวใจด้วยนะอืก็ดีเอกครับเป็นมันทั้งนั้นแหละอะไรๆเป็นมันหมดขยับนิดเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเราไม่ทันเราไม่รู้เรานี่ว่าเป็นเราเรายังภูมิใจสบายสบายเป็นช้างมันยังรู้จักต่อสู้เจ้าของ บ, างบาง้างในบางครั้งบางคราวไอ้เราจะต่อสู้กิเลสไม่รู้เลยจเจ้าอะไรไปต่อสู้มันนั่นนี่สัาผัสตรงนี้สิสต่อเมื่จิตปัญญามันทันมันถึงจะรู้เรื่องของมัน ว่ามันรวดเร็วทางนี้เร็วมันทันกันมันก็รู้ว่าทางนั้นเร็วแต่ก่อนไม่รู้ว่าทางที่เหลือเร็วเมื่อทําเมื่อสติปัญญาของเรามันรวดเร็วตามกันไปทันแล้วมันก็รู้ทางนั้นว่าเร็วเพราะทางนี้มันเร็วมันรู้ได้ทันนะที่นี่ตามฟัดตามเบี่ยงกันแก้ไขถอดถอนกันได้ไปโดยลำดับลำดาบพอทํามีกําลังแล้วที่นี่ก็มีจะทํานะกระดิกพอก็ดิกก็ทําออกทําออกทำออกที่เหลือมันก็ดิกไม่ได้เนี่ยตัวไหนมากระพังเลยจริงๆ อำนาจของสติปัญญามันเล่นเมื่อไหร่ถึงถึงเวล า, าที่มันมีกําลังเอ้เอาให้ทำให้ดูสิในหัวใจเราขอมันเป็นไป ม, ม, มันจะคําพูดสมมติผมพูดผมตายไปแล้วก็ตามนะมันจะไปกลางวานในหัวใจของผู้เปลี่ยนนั่นแหละไม่ได้กลางวานที่ไหนอย่างที่พราผูทีเจ้าปริพานนานไปแล้วกี่ปีกี่เดือนมันสําคัญอะไรกับปีกับเดือนกับสถานที่หรืนไม่มันสําคัญอยู่ที่ความจริงที่ ป, ประกาศกลงวานอยู่ในหัวใจของเราเอ ง, งกระเทือนถึงผู้ทีเจ้าเงืงนั่นมันมีการสถานทีเ่เวลาที่ไหนอันนั้นคือความจริงไม่มีการสถานที่เวลาเลย นั่นแหะความจริงกัดเถือนถึงันทันทีทีเดียวไม่มีเอาคามาอดีตนาคตอันนี้ก็เหมือนกันเพราะมันจิตมันสัมผัสแบบเดียวกันเท่านั้นแหละมันก็ยอมรับกันทันทีนนทําตํา ง, งานทนีทําจนกระทั่งไม่มีอะไรจะเหลือโผลมาอะไรก็พังามาพังเพราะอันนี้มีกําลังมากเหมือนกับแต่ก่อนสติสตางเรื่องธรรมเราปาโผลมาอะไรพังกิเล่มันเอาพังพัง มันทำลายแหลกแล้วเหมือนกันนั่นเองพอสติปัญญามีมีกำลังแล้วมันก็เอากิเลสทังมันกันจนกระทั่งไม่มีกิเลสตัวใดลื้อก็อยู่ภายในจิตใจเลยนั่นแหะมันถึงจะอยู่เรื่องที่ว่าธรรมจักจะสติปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวก็ยุติกันเองไม่ยุติจะไปต่อสู้กับอะไรเพอะมันสิ้นสุดยุติกันลงไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเรื่องแล้วเรื่องก็คือกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อวานนี้มันทังไปแล้วจะเอาอะไรมาเป็นเรื่องอีกหรือท่าสบายปวดพระละ หมทุกสิ่งทุกอย่างอาวุโสตังพระมจริยังเศรษฐกิจกิจกรเนี่ยงาน น, านการนั่นอันนี้เองนะงานหนักที่สุดก็คืองานแบบวัตวันงานที่เบาที่สุดคือสลัดวัตกิจรอมวัวตะวันออกจากที่เหลือออกจากกิออกจกกใจของเรานี่แล้วนั่นแหละเศรษฐกิจวุตตังพระมจริยังกระตังกระเนี่ยงเศรษฐกิจในพระศาสนาพระมจริยังอยู่จบแล้วคือการเราคุยปฏิบัติงานพี่วอกงาน ฝ้าดินวั่นไหวกันนี้เองล่ะจะเป็นอะไรไปฟ้าดินถล่มวัด ต, ตะวนถล่มก็อันนี้เองมันสะเทือนในประมุ่เมื่ออันนี้มันยึดติลงไปแล้วจะเอาอะไรมาเป็นอยู่ไหนก็สบายปรมุมีสมมุตินิยมอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอีดตรงนี้ไม่มีมีนี้ยึบแยบไปอย่างนั้นเนี่ยถึงเวาลามีกําลังมีได้อย่างนั้นถึงเวาลาบริสุทธิ์บริสุทธิ์ได้อย่างนั้น ัางใจคุปฏิบัติมาเล่นเล่นด้านด้านอยู่ทำไม่เกิดประโยชน์อะไรลราอกจะแตกมองเห็นกิริยาการของพระของเนรมีแต่กิจกาที่คึกที่ขนองมันทําให้เกิดสลดสังเวชอยู่ตลอดเวลานะมองเห็นธรรมันจะถึงจิตมันจะเข้าสิกิตภับมันรายงานกับรายงานออกมาทันทีทันทีเลยลายใดลายใดก็ตามมันสัมผัสพระครับม่ได้ตั้งใจยกโทษยกกรหมู่เพื่อนเราเป็นอาจารย์หมู่เพื่อนสอนหมู่เพื่อนมันบกพร่องตรงไหนสำไมมันจะไม่รู้ น, นัไม่รู้จะสอนหมู่เพื่อนได้ยังไงเหมือนยังครูมวยไม่รู้ความบกพร่องของนั่งมวยจะไปสอนนั่งมวยได้ยังไงอันนี้มันก็เหมือนกันไม่ใช่คุยงั้นบกพร่องตรงไหนมันมองมันภาพภาพภมันมองเห็นอยู่นี่เห็นอยู่ใช่ว่าวเพราเราเคยบกพร่องมาแล้วเคยเป็นมาแล้วสิ่งเหล่านี้แล้วหมู่เพื่อนเป็นมันก็ไม่อยากให้เป็นที่เพรมันเป็นเรื่องผลลบอันเดียวกันที่อยากให้เป็นยังไงแล้วมันก็สะเทือนใจถ้าพูดจะว ค, ความสะเทือนนะ่ะ มองเห็นกิจยาท่าทางไม่มีสติสตังมีแต่กิจยาท่าทางคือขนองเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นมัว่าไงไรแล้วเอาทํามาจากไหนมันเป็นเช่นนั้นเนี่ยนี่วันฝึกนี่เหนื่ยนะเพราะวันนี้มันเป็นอยู่แล้วแต่ผมพูดจะหรือธรรมดาธรรมดา ม, มันก็ไม่ถนัดหัวใจเหมือนกันนั่นนี่นะมันนเป็นของมันเองแหละการทพูดอย่างนี้มันถนัดเพราะเราพูดออกมาด้วยความจริงจัง พูดออกมาหล่อแหลและน่